เสนอเรื่องของชื่อไม่เป็นของสำคัญพระศาสตาเมื่อประทับอู่นะพระเทตวันมหาวิหารแด้ปรารบพิสุขผู้หวังความสำเร็จโดยการตั้งชื่อรูกหนึ่งดังนเรื่อ ง, งต่อไปนี้ จำัยหนึ่งกนรบรผู้หนึ่งโดยนามชื่อว่าปาปกะบวชถวายชีวิตในพระศาสนาเมื่อถูกผู้พิสูจน์เรียกว่ามาเถิดอาวุโสปาปกะหยุดเถิดอาวุโสปาปกะเขาก็ได้คิดว่าในโลกผู้ที่มีชื่อว่าปาปกะเขากล่าวกันว่าลามกเป็นตัวการณินีเราต้องให้อุปชาอาจารย์หาชื่อประกอบไปได้วยมงคลอย่างอื่น คิดดังนี้แล้วเธอจึงเข้าไปหาอุปชอาอาจารย์กราเปลียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อของกระผมเป็นอัปมงคลกรณุณาตั้งชื่ออย่างอื่นให้กระผมเถิดอุปชอาอาจารย์กล่าวกับเธอว่าโัชื่อหนละักเป็นเพียงกันใหญ่สมบับเรืยกกนเพื่ขอขึ้นชื่อความสําเร็จประโยชน์อะไรอะไร มิได้เกิดขึ้นเพราะชื่อเลยขอให้เธอนะ่จงพอใจชื่อของตนทั้งเธอแต่เธอก็ยังอ้อนวอนอยู่ร่ำไปความที่เธอมุ่งความสาเร็จโดยชื่อนี้เกิดแกลหลายกระจายไปในหมู่สงอยู่มาวันหนึ่งที่สุดทั้งหลายนั่งประชุมในธรรมสภาแต่ตั้งเรื่องสนธนากันว่า ท่านคงมีอยุทั้งหลายได้ยินว่าพิสุนโนนมุ่งความสําเร็จโดยตั้งชื่อขอให้ช่วยหาชื่อที่เป็นมงคลให้พระ บ, บรมศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสถาตรัสถามว่ารู้ก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอประทุมสนทนากันเรื่องอะไรเมื่อพิสุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตราบว่า ดูก่อนที่สุดทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอก็มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อเหมือนกันนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ได้นำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปดี อดีตการพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นอาจารย์ที่สาปราโมกบอกมุลกับมานุห้าร้อยในพระนครตักศิลามานุษยผู้หนึ่งของท่านชื่อว่าปาประกศโดยนามทูเขาเรียกอยู่ว่ามาเธอป้าประกัศไปเธอป้าประกัศคิดว่าชื่อของเรานั้นเป็นอักมมคลต้องขอให้อาจารย์ตั้งชื่ออื่นให้ใหม่ เข้าไปหาอาจารย์เรียนว่าท่านอาจารย์ครับชื่อของกระผมนั้นเป็นอัปมงคลโปรดตั้งชื่ อ, อย่างอื่นให้กระผมเถิดครั้งนั้นอาจารย์กล่าวกับเขาว่าให้เิดพ่อเจ้าจงเที่ยวไปตามชนบทแล้วกาหนดเอาชื่อที่เป็นมงคลชื่อหนึ่งที่ตนชอบใจอย่างยิ่งแล้วมาก็าจะเปลี่ยนชื่อของเจ้าเป็นชื่ออย่างอื่น เขารับคําแล้วจึงถือเอาสเสบียงออกเดินทางไปท่องเที่ยวไปตามคามนิคมชนบทลุกถึงนครแห่งหนึ่งแต่พระนคร น, นั้นแหลมีบรึิผู้หนึ่งชื่อว่าชีวกักซึ่งแปลว่าอุลรอดโดยนานเขาได้ตายลงเห็นหมู่ญาติกำลังหางเขาไปสู่ป่าช้าจึงได้ถามว่าชายผู้ น, นี้ชื่ออะไรหมูญาติตอบว่า จับชื่อชีวากับซึ่งแปลว่าบุญรอดก็ดีหรืออักชีวากับซึ่งแปลว่าไม่รอดก็ดีก็ตายทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัตสำหรับเรื่อกันเจ้านี้เห็นจังูกละมังเขาฟังคำนั้นแล้วมีความรู้สึกเฉยเฉยในเรื่องชื่อจึงได้เดินทางกลับเข้าสู่เมืองของตนครั้งนั้นพวกนายทุนกำลังจับนางทาสีผู้หนึ่ง ซึ่งไม่ให้ดอกเบี้ยให้นั่งที่ประตูแล้วเขียนด้วยเชื่อกานางทาสีกู้นั้นมีชื่อว่าทนะปาลีซึ่งแปลว่าคนมีทรัพย์เขาเดินเรื่อยไปตามท้องถนนเห็นานางตูกเขี่ยนก็ถามว่ามันไม่ยอมให้ดอกเบีย้ยเขาถามว่าก็นางมีชื่ออะไรเล่าพวกนายทพลตอบว่ า, านางชื่อทนะปาลีซึ่งแปลว่า คนมีทรัพบเขดถามต่อไปว่าแม้จะมีชื่อธนปาลีโดยนามก็ยังไม่อาจหาเงินแค่ดอกเบี้ยได้ดอกหรือนายทุนตอบว่าจะชื่อธนปาลีคนรวยก็ดีจะตั้งชื่ออาธนปาลีคนจนก็ดีเป็นคนเข็นใจได้ทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัติสําหรับเรื่อกันเจ้าหนี้เห็นจิงโง่เป็นแม่เขา ก็ยิ่งมีความรู้สึกเฉยๆในเรื่องชื่อยิ่งขึ้นจึงได้เดินทางออกจากเมืองไปตามทางก็ในระหว่างทางก็ได้พบคนหลงทางอีกเขาถามว่าผู้เป็นเจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่เล่า เขตอบว่าข้าพเจ้าหลงทางเสียแล้วเขาได้ย้อนถามว่าแล้วคุณชื่ออะไรเล่าเขาตอบว่าข้าพเจ้าชื่อปันธก a g ซึ่งแปลว่าผู้เจงทางเขาถามว่าขณะท่านชื่อปัญ thag ยังหลงทางอีกหรือคนหลงทางกล่าวว่าจะชื่อปันธกะซึ่งแปลว่าผู้ชํานาญทางหรือชื่ออาปันธกะคือไม่ชํานาญทาง ก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากันชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันก็ท่านเองเห็นจะโง่เป็นแน่จากนั้นเขาเลยวางเฉยในเรื่องชื่อกลับไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์ครั้นพระโพธิสัตว์ถามว่าอย่างไรเล่าพ่อคุณเจ้าได้ชื่อที่ถูกใจมาแล้วหรือ ก็เรียนท่านว่าท่านอาจารย์ครับธรรมดาคนเราถึงจะชื่อชีวะกะซึ่งแม้จะชื่อว่าอาชีวะกะก็คงตายเท่ากันถึงจะชื่อธนาปาลีแม้จะชื่ออาธนาปาลีก็เป็นทุกขตักได้ทั้งนั้นถึงจะชื่อปันธกะแม้จะชื่ออาปัญทกะก็หลงทางได้เหมือนกันชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกัน ความสำเร็จเพราะชื่อนั้นไม่ได้มีเลยความสำเร็จมีได้เพราะการกระทําเท่านั้นพอเป็นทีเรื่องชื่อสําหรับผมแล้วผมขอใช้ชื่อเดิมนั่นแหละต่อไปเพราะบริษัทเทียบเคี่ยรื่องที่เขาเห็นและการที่เขากระทําแล้วกล่าวคาถาความว่าเพราะเห็นคนชื่อชีวกาตายนาทนาบาลีตกจ่า นายปัญจกะหลงทางในป่าเจ้าปา่าประกาจึงกลับมาพร้ศาสดาส่งนำเรืออดีนิทานนี้มาแสดงแล้วแรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายมิใช่แตวบัรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อน เธอก็มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อมาแล้วเหมือนกันจากนั้นเจ้ศาสดาทรงประชุมชาดกว่ามาแล้วผู้มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อในครั้งนั้นได้มาเป็นพิสูจน์ผู้มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อในแบบนี้พระสัตว์ของอาจารย์ได้มาเป็นพุท ธ, ธบริษัทส่วนอาจารย์ ได้มาเป็นเราตถาคตนี้แหละสาระที่ควรกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้หนึ่งใ น, นเรื่องชื่อควรยึดหลักทางสายกลางคือ ไม่ต้องทำตามความนิยมของชาวโลกไปเสียทุกอย่างและไม่ทำตัวขวางโลกจนเกินไปนักชื่อที่มีความหมายไม่ดีเช่นนายอาพับนายพับโชคชื่อที่ฟังแล้วตลกเช่นนายผอมบางนางสาวผ้าพับชื่อที่ไม่สมกับเพศเช่ชนนางสมชายนายสมหญิงชื่อที่ไม่เหมาะสมกับอาชีพเช่นร้อยตรีขาด ชื่อเหล่านี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็สมควรหากชื่อดีอยู่แล้วเช่นนายสุชาตินางสาวชูนารีอล่านี้ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนสองสำหรับชื่อที่มีความหมายดีอยู่แล้วแต่จะรับคําแนะนําให้เปลี่ยนเพราะเป็นการละทิ้นีควรทราบว่าคําแนะนํานี้ขัดกับหลักทางพระพุทธศาสนาชื่อ เกิดจากการผสมกันของพยานชนะและสลักที่เราคิดว่าเราตั้งขึ้นมาชื่อเป็นเพียงบัญญัติสําหรับเล่กันเป็นสิ่งกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคนจนคนโง่จะกลายเป็นคนรวยคนฉลาดด้วยการเปลี่ยนชื่อก็หาไม่คนชื่อเจริญแต่โง่เขลาและเเกลียดช้านติดเหล้าติดการพนันหรืออบายโมกอื่นๆ ย่อมถึงความเสี่ยงความคิดหายถ่ายเดียวไม่อา จ, จเจริญสมชื่อได้ส่วนคนที่มีความจเจริญรุ่งเรืองแม้ชื่อจะเป็นการากินีก็ขัดขวางไม่ได้เช่นท่านเอกปิน่นนุตุกันพระทบ่ปรีกรมศาสนาเป็นต้นอักษรปอปาในชื่อของท่านเป็นคาราตินีเพราะท่านเกิดวันพุธที่ส1บอ็ดตุลาคมสองสรอห้าสิบเก้า แต่ว่าท่านนั้นก็มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นอย่างดีหน้าที่การงานก็เป็นถึงอธิบดีมีชื่อเสียงดีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งไทยและตามประเภทเพราะความรู้ความสามารถโดยแท้เมื่อท่านสิ้นชีวิตในหลวงและพระราชินีได้เสด็จไปพระราชทานเพลิงศพของท่านตามปกติทั้งสามพระองค์จะเม่เสด็จไปพระราชทานเพลิงศพบุคคลในระดับอธิบดีเลย 3. าหากว่าผู้ใดมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังทำใจไม่ได้อย่างวิตกกังวลว่าชื่อเป็นจริตีีก็ให้เปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้ถูกโฉลกและควรเปลี่ยนความประพฤติเสียด้วยความประพฤติที่ไม่ดีก็ละเสียความประพฤติที่ดีก็ยังต้องการทำต่อไปความประพฤติที่ไม่ดีนั้นจะต้องแก้ไขข้าปกคร่องให้ดีขึ้นเติมเต็มได้ ถ้าทำดีก็จะเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีแก่ชีวิตอย่างแท้จริงถ้าไม่ปรับปรุงความประคึก ด, ด้วยแม้จะเปลี่ยนชื่ออีกสิบชื่อก็ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นมาได้เลย ไปนำเสนอเรื่องของทำไมยิ่งค้ายิ่งขาดทุนขอรับชั่นกลับร่ำรวยปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันในการทำการค้าบางคนก็ประสบควาสิเร็จในการค้ากิจการเจริญก้าวหน้า แต่บางคนไม่ว่าค้าขายอะไรก็มักจะล้มเหลวสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้การค้าขายขาดทุนก็คือขาดคุณสมบัติของพ่อค้าที่ดีในประสูติได้กล่าวถึงคุณสมบัติของพ่อค้าไว้ดังนี้พ่อค้าประกอบด้วยองค์สามย่อมถึงความไพบูรณ์ในโทคพย์ไม่นานเลยองค์ามนั้นก็คือหนึ่ง เป็นผู้มีดวงตาคือมีวิสัยทัศน์คือรู้ว่าสินค้าสิ่งนี้ซื้ออย่างนี้ขายอย่างนี้เป็นต้นทุนเท่าไหร่กําไรเท่านั้น 2. ฉลาดคือรู้แหล่งที่จะซื้อสินค้าได้ง่ายและไปขายอย่างที่มีสินค้าหาได้ยาก 3. ถึงพร้อมด้วยที่พึ่งที่อาศัยคือเครดิตดี เมื่อควกขหบดีเท่าหลายรู้จักพ่อค้าเหล่านั้นว่าเป็นคนมีดวงตาและมีความฉลาดย่อมยินดีให้กู้ไปลงทุนเพราะมีหวังได้ดอกเบี้ยในการสมควรเรื่องนี้อยู่ในรุตธิยปาปนิกสูตรข้อที่20หน้าที่459 ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุของการค้าขายํำไรและขาดทุนครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าเฝ้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนาเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้การค้าการขายอย่างเดียวกันพอค้าบางคนประกอบแล้วขาดทุนบางคนประกอบแล้วได้กำไรไม่เท่าที่ประสงค์บางคนประกอบแล้วได้กำไรตามที่ประสงค์ส่วนบางคนประกอบแล้วได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์พระพุทธองค์ทรงตอบว่าลูก่อนชารีบุตรผูคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหาสมณะก็ดีทรางก็ดีภวารณาสมณะหรือาพามนั้นให้บอกขอปัจจัยได้บุ้คล น, นั้นภวารณาด้วยปัจจัยใดไม่ให้ปัจจัยนั้นแกสมณะาพามนั้นบุ้คล น, นั้นถ้าตายจากอตภาพนั้นมาสู่อตภาพนี้หาประกอบการค้าขายอันใดการค้าขายอันนั้นย่อมขาดทุน ส่วนบุคคลบางคนเข้าไปหาสมณะก็ดีคราก็ดีปวารณาสมณะหรือพรามนั้นให้บอกขอปัใจใยได้บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจัยใดให้ปัจัยนั้นไม่เท่าที่ประสงค์บุคคลนั้นท่าตายจากอัตภาพนั้นมาสู่อัตภาพนี้หากประกอบการค้าขายอันใดการค้าขายนั้น ย่อมได้กำไรไม่เข่าที่ประสงค์ส่วนบุคคลบางคนเข้าไปหาสมณะก็ดีทามก็ดีปวารณาสมณะหรือทามนั้นให้บอกขอปัจจัยได้บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใดให้ปัจจัยนั้นยิ่งกว่าที่ประสงค์บุคคลนั้นถ้าตายจากอภาพนั้นมาสู่อัตภาพนี้ หากประกอบการค้าขายอันใดการค้าขายอันนั้นย่อมได้รับกําไรยิ่งกว่าที่ประสงค์อยู่ก่อนสารบุตรนี่แหละเป็นเหตุเป็นตัจใจให้การค้าขายอันเดียวพ่อค้าบางคนประกอบแล้วขาดทุนบางคนประกอบแล้วไม่ได้กําไรเท่าที่ประสงค์บางคนประกอบแล้ว ไ, ได้กํ า, รารก ไ, กไรตามที่ประสงค์ส่วนบางคน ประกอบแล้วได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์จากวันทีสูตรพระไตรปิฎกและอัตถกาถาเล่มที่ส5สิหหน้าที่238นี้คือสาเหตุ ที่ทำให้พ่อค้าผู้มีคุณสมบัติครบดวนรู้จักวิธีการค้าขายแต่ยังคงค้าขายขาดทุนส่วนผู้ที่ค้าขายไม่เป็นแถมยังมีกรรมเก่าคอยขัดขวางย่อมค้าขายขาดทุนอย่างแน่นอนสำหรับปัญหาที่ว่าคอร์รัปชันแล้วกลับร่มรวยมีสาระที่ควรจะกล่าวถึงดังนี้ 1. คนจานวนมากไม่มีโอกาสได้คอร์รัปชันเลยตลอดชีวิต บางส่วนเท่านั้นที่มีโอกาสขอรับชั้นได้ทั้งนี้เพราะตำแหน่งหน้าที่การ ง, งานเพื่ออํานวยการได้ตำแหน่งดีกาจมีสาเหตุมาจากกรรมดีในอดีตมาส่งผลให้หรือมาจากผลของกรรมดีในปัจจุบันคือขยันทํางานดีมีมิตร ด, ดีหรือมีเส้นดี 2. เมื่อกรรมดีในอดีตให้ผลแม้ในปัจจุบัน จะไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะได้ลาบลอยเช่นแต่รับมรดกหลงทางผิดไปทำทุจริตด้วยการคอร์รัปชันและอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาแต่ก็ไม่คุ้มค่าด้วยเหตุผลดังนี้คือ 1. ทําทำให้จิตใจต่ำซามลงทันทีเป็นการลดคุณค่าของตัวเองลงจากคนดีเป็นคนชั่วช้าน่ารังเกียจไม่มีใครครบหาสมาคมด้วย สองทรัพย์ที่ได้มาโดยพทธิจิตนั้นเมื่อได้มาก็ต้องปิดบังไม่สุขใจไม่ภูมิใจเพราะได้มาในทางที่น่าอับอายจะใช้จ่ายก็ต้องทำอย่างซ่อนเร้นอยากจะซื้อรถมาขับปวดมั่งมีกับเขาบ้างก็งทำไม่ได้อยากกินอาหารในพัตตาคารูหรูรัวคนจะเห็นชีวิตที่อยู่ในสภาวะมีเงินก็เหมือนไม่มีจะเป็นสุดได้อย่างไร สว่าเริอนที่สร้างไว้ไม่ดีย่อมไม่ท น, านทานทังทลายได้ง่ายฉันใดทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริตก็ไม่ยั่งยืนมักมีเหตุให้ชิพหายได้ง่ายฉันนั้น 4. ีจิตใจไม่เป็นสุขเพราะมัวห่วงกังวลว่าความลับจะรั่วไหลห้าเป็นเหตุให้ต้องทำํำทุจริตอื่นๆ เ, เ, เช่นพูดเท็จเพื่อปกปิดความลับถึงการนั้น ก็ยากที่จะปกปิดไว้ได้ 6. เป็นการตัดรอนกรรมดีที่กำลังให้ผลไหนไม่ช้าก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายเมื่อปลายปี2 5 4พริบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งถูกดาเนินคดีตามราชการ เพราะปลอมใบอนุญาตโฆษณาอาหารและยาของสำนักงานชน ก, กรรมการอาหารและยาหรือ อ, อยจำนวน52ฉบับโดยร่วมมือกับข้าราชการระดับสูงบางคนใน อ, อยนอกจากจะเสียชื่อเสียงจะต้องเลิกกิจการแล้วยังอาจจะต้องถูกฟ้องอีกร้ายสิบคดีจากเจ้าของสินค้าที่จ้างบริษัทนี้ทำโฆษณาให้จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า หกธันวาคม2 5 4พาสีิเ็ดทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริตถ้าใช้ทำบุญก็ได้บุญน้อยเพราะไม่บริสุทธิ์ 8. ตายไปแล้วย่อมเข้าสู่อบายภูมิได้โดยง่ายและกรรมชั่วจะติดตามไปให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในชาติต่อไปอีกด้วยจนกว่าจะหมดกำลัง ข้อสาเื่อกำดีให้ผลถ้าประกอบสัมมาอาชีวะควบคู่ไปด้วยย่อมมีหวังจะได้รับผลดีเป็นทวีคูณตรีคูณทรัพที่ได้มาโดยสุดตริตย่อมทำให้สุขใจและภาคภูมิใจเพราะหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเมื่อจะใช้ก็ทำได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบซ่อนไม่มีสิ่งใดต้องเป็นห่วงเป็นกังวลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทำให้ได้รับความสุขจากทรัพย์อย่างเต็มที่ 4. เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วย่อมเห็นว่าการร่ำรวยด้วยวิธีที่ทุจริตนั้นไม่คุ้มเลยกว่าจะสร้างตัวจนมีตำแหน่งหน้าที่การ ง, งานที่ดีต้องใช้เวลาและความรู้ความสามารถอย่างมากควรหรือที่จะมาทําลายเสีย ด้วยความหลงผิดเพียงชั่ววูบเคยเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งถูกจำคุกเพราะ ก, กินป่าและตายในคุกกิจยศที่เคยสั่งสมมาชั่วชีวิตต้องพินาศไปอย่างน่าเสียดายทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ท น, นชั่วให้ชั่วดีดุดราทนีบอกไว้นา ใครขั่วใครนึ่งไสสืบได้ด้วยกัน คนหนึ่งชื่อทนัญชานิเป็นผู้มีความคุ้นเคยกับพระสารีบุตรเขาใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางช่อราบบางหลวงกล่าวคือเมื่อพระราชาทรงไปเก็บส่วนแบ่งข้าวกล้าโดยไม่เบเียดเบียนประชาชนครามเก็บเอาข้าวกล้ามาหมดเลยเมื่อถูกประชาชนทักท้วงครามก็กล่าวว่า ข้าวปาที่วานไห้ในราชสกุลนะับลีน้อยพระราชาทรงสัง่งเรามาอย่างนี้พวกท่านจะได้คลา่ควรไปเลยถามเอาเข้าเข้าบ้านของตนโดยส่วนมากแล้วเข้าราชสกุลมีประมาณน้อยแหล เมื่อพระราชาตราสถามว่าเออนี่ทำพรอมท่านลนะเม่ได้ทำการบีบบังคับพระราชาจนทา้งหลารลืรอ้าแต่มหามะลาภในวันนี้น่ามีข้าวกระไเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อข่าพระพุทธเจ้าไม่บีบบังคับเอาเก็บเอาไว้ก็จึงได้ไม่มากแล้วพระเจ้าค้า พฤติกรรมอาศัยประชาชนต้นพระราชาอาศัยพระราชาต้นประชาชนของธนชานิพนธ์ได้ทราบไปถึงท่านพระสารีบุตรเช้าวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเข้าไปบินทบาทในละครราชฤก์หลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็ไปหาธนชานิพนธ์และก็ได้มีโอกาสสนทนากัน ท่านธ น, น, นัญชาีิท่านเป็นผู้ไม่ประมาหรือข้าแต่ท่านภาษาใน่บุตรที่ได้ข้าบัตเจ้าจะไม่ประมาทเพราะข้าบัเจ้าจะต้องเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวตลอดจนบริวารมีภาระทางการจัการและสังคมมากมายธ น, น, นัญชาีิบุคคลที่ทำชั่วเมื่อตายไปแล้วย่อมถูกนาเนรยะบานนั่ไปสู่นรกเพราะกรรมชั่วที่ทาไว บุคคลนั้นสามารถอ้างได้ไหมว่าข้าพเจ้าทําไปเพื่อบิดามารดาพุทธภรยาญาติมิตและเพื่อบํารุงเลี้ยงร่างกายของตนเขา อ, อยาได้หนำข้าพเจ้าไปสู่นรกเลยบุคคลที่เขาอ้างถึงบิดามารดาพุทธภรยาเป็นต้นสามารถที่จะนําไปขอร้องต่อนาย น, นิยบาลได้ตามความปรารถนาหรือไม่ว่า บุคคลผู้นี้ทำชั่วเพราะพวกเราทั้งหลายขอนายนิรยาบาลจะได้ชึดฆ่าเขาไปสู่นรกเลยอย่างนี้จะทำได้ไหมไม่ใช่เช่นนพันปราษาลิบุตรที่แท้ผู้นั่ท่านจะข้องโกรมากมายอย่างไรนหนนิรยาบาลก็ถึงจะโยนเขาลงนรกเดินได้ขนญชานี้บุคคลที่ประพฤติผิดธรรม ย่อมหาเลีนเน้ยงตนและครอบค ร, ร, รักวออกับบุคคลผู้ประพฤติถูกทมเพื่อหาเลี้ยงตนและครอบครัวอย่างไนจะประเสริฐกว่ากันอกับบุคคลที่ประพฤติผิดทำเพื่อหาเลี้ยงตนและครอบครัวไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติถูกทมเพื่อหาเลี้ยงตนและครอบครัวประเสริฐกว่า ถูกแล้วธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุรุษอาดลิ้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาต่อจนเลี้ยงชีวิตตนได้โดยไม่ต้องกระทํำกรรมอัลามกและให้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้นั้นมีอยู่บุคคลสามารถกระทําการงานอันประกอบด้วยธรรมเหล่านั้นได้ ทงนั้นทนานชานิพรานได้ฟังแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาพาสิทธ์ของท่านพระสารีบุตรเป็นอย่างยิ่งครั้นถึงการต่อมาทนานชานิรรนะพรานป่วยหนักเราจึงส่งคนไปแจ้งให้พระพุทธเจ้า และท่านพ่อสาลีบุตรทราบท่าขอให้ท่านพ่อสาลีบุตรได้กรุณาไปเยี่ยมอย่างนิเวศของธรัญชานิพราหมุด้วยท่านพ่อสาลีบุตรได้ไปเยี่ยมธรัญชานิพราหม์ถึงบ้านเมื่อไปถึงแล้วก็ได้ถานถึงอาการป่วยข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังทีวิตถีเป็นไปไม่ได้ทุกรคติภเวทนาของข้าพเจ้ากลนะ้านัก จเจริญขึ้นไม่ถดถอยเลยงา น, น, นชานี้นรกกับกําเนิดสัตยเดชานอย่างไรดีกว่ากันกําเนิดสัตยเดชานดีกว่ากําเนิดสัตยเดชานกับปิติวิสัยคือเปรตนั้นอย่างไรจะดีกว่าการเล่าปิติวิสัยดีกว่าปิติวิสัยกับมนุษย์อย่างไรจะดีกว่ากันล่ะ มนันลดดีกว่ามนันลดโลกกับเทวโลกยังไงจะดีกว่ากรารเล่าเทวโลกดีกว่าเทวโลกกับพรหมโลกยังไงจะดีกว่ากรารเล่าท่านพระษาลีบุตรกล่าวว่าพรหมโลกท่านระษาลีบุตรกล่าวว่าพรหมโลกหรือ ก้อนระดับนั้นท่านพระสารบุตรทราบว่าทันานชานิปรามน้อมใจไปในพรหมโลกท่งจึงแสดงพรหมวิหารภาวนาแก่ทันานชานิปรามแล้วลากลับไปยัง ว, วัดพระเวรุวรรณหลังจากนั้นไม่นานทันานชานิปรามก็สิ้นใจแล้วไปบังเกิดในพรหมโลก นี้ในปัจจุบันในบุคคลเช่นธรัญชาญนิครามอยู่มากเั้งนุ่งแต่จะสแสวงหาเงินทองหรือหาผลกำไรทางโลกอย่างเดียวจนลืมนึกถึงศีลธรรมกฎหมายและความเดือดร้อนของผู้อื่นเมื่อสั่งสมทรัพย์สมบัติทางโลกได้มากแล้วควรที่จะหยุดเพื่อใช้ชีวิตในร่างกายสั่งสมบุญกัวสนเสียบ้างแต่เขา มาได้มีความหยุดความยัง้งความปล่อยวางในทรัพย์สมบัติที่หามาได้เลยยังคิดหาทางกอบโกยทรัพย์สินเรือนทองต่อไปโดยไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วความตายจะต้องมาเยือนอย่างแน่นอนในที่สุดความตายก็มาเยือนทุกสิ่งที่น่าไปในเพลือกตาร่างคายแปดเย่อยับดับศูนย์ต้องละโลกนี้ไป ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนหามาได้ไว้ให้คนอื่นไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตัวไปได้เลยแม้แต่น้อยนิดคุณงามความดีหรือบุญกุศลก็ไม่ได้สา่งสมไว้มากพอทั้งที่มีโอกาสที่จะทำได้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของเขาจึงเปรียบเสมือนต้นหายกำไรศูนย์ต้นคือร่างกาย และทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งหมดกาไรคือบุญกุศลแทนที่จะได้ก็ไม่ได้ถ้าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้มาด้วยวิธีทุจริตชีวิตนี้ก็ขาดทุนและจะยิ่งขาดทุนเป็นทวีคูณถ้ายึดติดในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมากเกินไปหรือใช้สมบัติเหล่านั้นไปในทางทุจริต ทุกคนที่ประมาทมัวเมาไม่อยู่มากในสังคมปัจจุบันบางคนแม้ถูกเทวทูตคือความแก่ความเจ็บความตายจากเตือนโดยตรงหรือโดยอ้อมแล้วก็ยังไม่รู้ตัวหรือไม่ยอมกลับตัวจึงต้องตกอยู่ในสภาพต้นหายกำไรศูนย์ชีวิตขาดทุนแต่ทนัญชานิพรามโชคดีที่มีจระยานมิตร อย่างขั้นพระสารีบุตรคอยสั่งสอนและตักเดินอยู่จนวาระสุดท้ายทำให้ได้ไปเกิดในพรหมโลกพ้นจากสภาพต้นหายกำไรศูนย์ชีวิตขาดทนุน ท่านผู้ฟังที่ไม่มีจรรยะาบมรณเช่นนั้นก็ขอให้นำเอาโอวาทของท่านพระสารีบุตรมาสั่งสอนและตัเกเตือนตอนเองและลองตรวจสอบอาชีพการงานและความประพฤติของท่านหากว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นผิดศีลธรรมผิดกฎหมายก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขเสียเพราะเมื่อทาผิดแล้วแม้จะแก้ตัวว่าทาเพราะยากจน ทำเพราะพ่อแม่ลูกเมียรหรือเพราะเหตุอื่นอื่นก็ไม่อาจจะพ้นผิดได้สารทางโลกก็ไม่รับฟังสารทางธรรมก็ไม่รับฟังดังนั้นจึงควรทำตามที่เท่มทศสาเราบุตรกล่าวแนะว่าการงนานอย่างอื่นที่ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงวิดามารดาบุตรภริยา จนเลี้ยงชีวิตของตนได้โดยไม่ต้องกระทำกรรมอลามกและให้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้มีอยู่ผูกคนสามารถกระทำการงานอันประกอบด้วยธรรมเหล่านั้นได้ชีวิตของเราในชาตินี้น้อยนะัก ชีวิตข้างหน้ายัางยาวนานมิอาประมาณได้หากรักตนจริงก็ควรจะรักให้ตลอดถึงชีวิตในชาติหน้าด้วยไม่ใช่คิดเพียงสั้นๆรัก แ, แต่ชีวิตในชาตินี้เท่านั้นทุกคนจะต้องตายเวลาไม่ช้าคนเราไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์จะทำทุกวิถีทางที่ชั่วช้าน่ารังเกียจหรือทารุณโหดร้าย เพียงเพื่อให้ได้มาสิ่งรั์ทำไมเล่าจงแสวงหาความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนี้ในขอมเขตที่ถูกทำนองครองทำเถิดผลแห่งกรรมที่จะต้องเสบยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปจะได้ไม่เป็นผลร้ายไม่เป็นผลบาป ก, กรรมแต่เป็นผลของบุญกุศลโดยแท้ ชอบรรมพระพฤติผิดธรรมนั้นได้แก่การประกอบการงานที่ผิดศีลห้าหรือศีลสิบศีล ส, สิบในที่นี้ได้แก่กุศสลกรรมบท10การประพฤติที่ชอบธรรมประพฤติถูกนั้นได้แก่การประกอบการงานมีการทํานาค้าขายที่ชอบรรมเป็นต้นคือไม่ผิดศีลห้าหรือศีลสิบ รวมความว่าไม่ทำมาหาเล้งชีพด้วยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสดพูดคำหยาพูดเพอ้อเจอ้อด้วยการเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นด้วยการพยาบาทปองร้ายผู้อื่นด้วยการเป็นมิจฉาทิฐิหรือพูดอีกทีก็ได้แก่ไม่หาเล้งชีพด้วยกายทุตริตสาม วจีทุตติสี 4, มโนทุตติรสามนั่นเองแต่ให้หาเลี้ยงทีพด้วยกายสุตริรสามวจีสุจริตสี 4, มโนสุจริรสามเท่านั้นทางนี้เพราะการหาเลี้ยงทีพในทางที่ผิดเป็นเหตุให้ตกนรกจะอ้างว่าทำเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาหรือใครๆนั้นฟังไม่ขึ้นท่านผู้ใดที่เลี้ยงทีพโดยไม่ชอบทำ จะเพราะเหตุแห่งตนเองเพราะเหตุแห่งบิดามารดาหรือเพราะใครก็ตามควรจะได้สังวรไว้ขึ้นชื่อว่ากรรมชั่วแล้วเมื่อเราทําลงไปแล้วไม่ว่าจะเพื่อใครแต่ผลของการกระทำนั้นตกอยู่แก่เราเองไม่ได้ตกอยู่แก่บุคคลที่เราทําเพื่อเขาเลย ด้วยเหตุนี้ในคุตกาศนิกายเปรตวัตถุโภคสังขาราเปรตวัตถุข้อที่หนึ่งสได้เล่าถึงหญิงเปรศีตนที่ได้คลั่งจวรมราพันว่าพวกเราได้รบรวมโวกทรัพย์ไว้โดยชอบทำบ้างโดยไม่ชอบทำบ้างแต่คนอื่นๆพากันใช้สอยซรัพย์นั้นส่วนพวกเรากลับมีส่วนแห่งทุกข์ กล่าวคือในชาติก่อนยญิงเปรตสี่ตนนี้เกิดเป็นหญิงสี่คนทำการค้าขายเนยใสน้ำนมและน้ำพึ่งและข้าเปลือกเป็นต้นด้วยการโกงตาช่างและเครื่องตวงได้รวบรวมซับไว้เป็นอันมากตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์มากในเวลากลางคืนจึงได้ร้องขึ้นด้วยเสียงดังอันว่า พวกเราได้หาทราบไว้ให้ผู้อื่นใช้แต่ตนเองกรับไม่ได้ใช้ต้องมาได้รับทุกข์อยู่อย่างนี้เพราะเหตุที่ไม่ได้ประพฤติชอบทำจากตัวอย่างเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเราทำกรรมใดไว้ เราต้องได้รับผลของกรรมนั้นด้วยตนเองทรัพสมบัติที่หามาได้นั้นหามีประโยชน์แก่ตอนไม่เมื่อตายไปแล้วถ้าเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหาเลี้ยงชีพโดยสุดจิตจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เรื่องของตาลปุตสูตรเรื่องตาลปุตสูตรนี้อยู่ในสังยุตตะนิกายสารตนวัตข้อที่589มีข้อความในพระสูตรเรื่องนี้ว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันจาลังตักะนิวาปัสถานใกล้ตานคอร์ราชึกพ่อบ้านนักด่านรำคนหนึ่งชื่อว่าอาราบุตรตะหรืออารบุตรได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินคําของนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปาอาจารย์ก่อนกล่าวว่านักเต้นรำคนใดจะทําทให้คนอื่นหวัวเราะเรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคําเท็จบ้างในท่ากลางสถานเต้นรำในท่ากลางสถานมหรัรสพผู้นั้นน่ะเมื่อตายไปแล้วก็ยังเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เรื่นเริงใช่หรือไม่พระเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนนายคามณีอยาา่าได้ถามถึงเรื่องนี้กับเราเลยแต่นายตาบุตรนักเตรร์มก็ไม่ฟังพูดถามถึงสามครั้งด้วยกันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนนายคามณีเราได้ห้ามท่านไม่ให้ถาม ท่านก็ไม่ฟังเราเราจัดพยากรณให้ท่านดูก่อนนายคารมารีเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ประสะจากราคาอันเกรตเครื่องผูกคือราคาผูกไว้นักเตรมจะรวบรวมเข้าซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดยินดีในท่ามกลางสถานเต่นทารำในท่ามกลางสถานมหัศศกแก่สัตเหล่านั้น มากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสทั้งหลายยังไม่ปราศ จ, จากโทสะอันเกรทเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักเตร์มและรวบรวมเข้าไว้ซึ่งทำเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในท่กากลสถานที่จร์มในท่กากลางสถานมหรสศแแกสัตว์เหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสทั้งหลายยังไม้ปราศ จ, จากโมหะอันเกรด คลื่นผูกคือโมหะผูกไว้นักจตะดัมย่อมโรวบรวมเข้าไว้ซึ่งคำอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะในท่านกลาสถานที่เต้นดัมในท่านกลางสถานมอรสศพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนักเตรดัมนั้นตนเองก็มหมัวหมอนประมาทเมื่อแต่กายไปย่อมไปบังเกิดในนรกชื่อป่าหาสัตว์อันหนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักจะานรคนใดทำให้คนหัวรเราะรื่นเริงด้วยความจริงบ้างคําเท็จบ้างใน่ามกลางสถานที่ดานรใน่้มกลางสถานมอรศพผู้นั้นเมื่อแต่กายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อป่าหาจักความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นที่ผิดดูก่อนในายคำนีก็ราวกาว ปฏิของบุคคลผู้มีความถิดผิดว่ามีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัจระชานย่อมได้อย่างหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแลกอย่างนี้ พ่บ้านนับนันรำชื่อตะระบุตนั้นก็ได้ร้องไห้เสลิสะอื่อนน้ำตาไหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าดูก่อนายครมณีเราได้ห้ามท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าได้ถามเรื่องนี้กับเราเลยข้าแต่พระองค์ผูเูเจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้เพราะคําพยากรณ์ของพระองค์เลย แต่พระองค์ร้องไห้เพราะถูกอาจารย์และปาอาจารก่อนๆล่อลว ง, งให้เข้าใจผิดว่านักเจรํญที่ทําให้คนหัวเราะเรื่นเริงด้วยคาจริงบ้างด้วยคําเท็จบ้างในท่ามกลางสถานที่เจรํญในท่ามกลางสถานหมอรสศอายแล้วย่อมเข้าไปถึงความเป็นสหายของเทวดาชื่อปาหาสัตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ แจงแจ้งยิ่งนักพระภูมิประภักเจ้าทรงประกาศ ธ, ธรรมโดยประยายมิใช่น้อยดุดงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประเทิในที่มืดด้วยความหวังว่าคนมีจักษุจะได้เห็นรูปได้เชนั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธองค์กับทางพระธรรม และปรปิสูงสงว่าเป็นสาระข้าพระองค์ทึงได้อุปชาอุปสมบทในสานักของพระภูมิพระพักตร์เจ้าเธอครั้งนายตาะบุตรได้บันประชาอุปสมบทแล้วไม่นานนักเล็กเล้นออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาด มีความเพียรมีใจแน่งแน่กระทํทำแจ้งซึ่งที่สุดแห่งปรมจันร์อันยอดเยี่ยมที่คุลบุตรทั้งหลายออกบทเป็นธรรมชิตโดยชอบธรรมต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วปรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แล้ท่านพระตาบุตรก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ข้อคิ ด, ดันต่อไปนี้ว่าพระบุพมีพร ะ, ระพาทเจ้าเคยตรัสว่าคนที่ประพฤติชั่วนั้นเป็นอสัตย์บุตแต่ถ้าชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติชั่วตามตนด้วยผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นอสัตย์บุตรยิ่งกว่าอสัตย์บุตรคือเล็วยิ่งกว่าคนเร็วทั้งหลายโดยนายตรงกันข้ามคนที่ประพฤติตนดีนั้นจะเป็นสัตย์บุตร ทั้งยังชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติดีด้วยพระผูมีประภาคเจ้าตรัสว่าเป็นสัตว์บุตรยิ่งกว่าสัตว์บุตรคือเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีทั้งหลายจะเป็นยอดของคนดีธรรมดาปุถุชนคนเหล่านั้นย่อมหนาแน่นไปด้วยราคาโทสะโมหะ ตั้งตนอยู่ในความประมาทมัวเมาหลงไหลอยู่ในสิ่งเพล่ดเพลินต่างๆอยู่แล้วนักด้านรำทั้งหลายก็ยังมาเพิ่มกิเลสคือราคะโทสัตโมหะให้มากขึ้นโดยการแสดงของตนทำให้คนดูลุ่มหลงมัวเมาสิ่งที่ปราศจากสาระเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนี้บุคคลพวกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเมื่อตายไป จ่อมไปเกิดในนรกหรือสัจจะได้ฌานเท่านั้นก็ในธรรมนองเดียวกันคนที่ประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วยังช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงได้กุศลมากตายแล้วจมไปเกิดในสิ่งที่ดีมีมนุษและสว่างเท่านั้น จากนี้ในพระสูตรอื่นๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงถึงบุคคลผู้เป็นนักรบอาชีพเป็นนายทหารช้างเป็นนายทหารลาซึ่งล้วนแต่มีความอุตสาหะพยายามในสงครามตั้งอกตั้งใจในการรบข้าถูกคนอื่นฆ่าตายในขณะที่กําลังอุตสาหะพยายามอยู่บุคคลเหล่านั้นคือนักรบอาชีพก็ดี นายทหารม้าก็ดีย่อมเข้าถึงนรกหรือเดชะชานอย่างได้อย่างหนึ่งนอกจากนั้นในภูมิกัสูตรข้อที่ห้าร้อยเก้าสิบแปดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่นายด้านที่มีนามว่าอาสิพันตะกะ บ, บุตรที่ปาวาริกอัมพวันใกล้เมืองนาลันชาว่าคนที่ประกอบทุริสิษมีการฆ่าศัตร์เป็นต้น มีความเห็นผิดเป็นที่สุดนั้นแม้เมื่อเวลาจะตายมูชนเป็นอันมากจะมาประชุมสวดมนต์อ้อนวอนวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุคคลนั้นว่าขอคนนี้เมื่อตายไปแล้วจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์บุคคลนั้นก็หาพึง่งเป็นไปตามคำสวดอ้อนวอนของใครใคไม่แต่บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกเช่นบุคคลใดซึ่งประกอบด้วยสุดจริต ธ, ธรรมสิบประการมีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นมีความเห็นถูกว่าบุญบาปเป็นที่สุดเมื่อถึงเวลาจะตายแม้มหาชนจะพาจนประทุมอ้อนวอนให้เขาไปสู่อบายทุกขติวินิบาทนรกเขา ก็หาได้เป็นตามคำสวดอ้อนวอนของใครใคยไม่แต่เขาตายไปจะเโ้ ถ, ถึงสู่สุปติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาพเจ้าทรงสแสดงธรรมแจ่งแจ้งอย่างนี้ในบ้านอาชิพันตะกะบุตรได้เกิดความลืมใสปฏิญาณตนเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตระไตรเป็นสะนะจนตลอดชีวิต จากประสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบุ้คนทำกรรมอย่างไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นใครจามาวิงวอนขอร้องให้กรรมนั้นให้ผลเป็นอย่างอื่นที่ไม่สมควรแก่กรรมที่ทําไว้หาได้ไม่สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ายาที่สั่งว่าเตปตีชังตาที่สายลแล้เตะพลังผู้คน วางพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นต่อไปนำเสนอเรื่องของ ชื่อนางมัตาในเมืองสาวัตถีมีกุลุมพีคนหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาแต่ก็ได้ภรรยาที่ไม่มีศรัทธาทั้งมีนิสัยที่โกรธชื่อนางมตาแต่นางมะตานั้นไม่มีบุตรสือตระกูลสามีจึงไปหาภรรยามาอีกคนหนึ่ง ชื่อนางติกษาเราต้องการบุตรสืบตระกูลนางติษานั้นเป็นคนมีศรัทธาที่เป็นที่รักใคร่ของสามีไปทันมากต่อมานางติษานั้นก็ได้มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อภูตะกุมาร น, นางติษาก็ได้เป็นใหญ่ในเรือนนางได้ถวายกายกรุประทับบำรุงแก่พระพิสุสี่รูปด้วยความคลบเลื่อมใสตลอดมา ส่วนนางวตา น, นั้นด้วยความฤาษยาก็ได้กลั่นแกล้ง น, นางติษาด้วยประการต่างๆเมื่อ น, นางได้ตายลงไปก็ได้ไปเกิดเป็นเ ป, นเปรตได้รับทุกขเวทนามากวันหนึ่งนางได้มาแสดงกายให้ปรากฏแก่นางติสานางติษาได้เห็นดังนั้นแล้ว จึงได้ถามว่าท่านเป็นผู้สู้ผอมมีแต่สี่โครงเวยกายมีรูปร่างหน้าเกียดสู้ผอมมีตัวสะพางไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครจึงมายืนอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี้ฉันชื่อมัตกาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่านได้ทำกรรมอัลลาโมกไว้จึงไปเกิดเป็นเป็ด ท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวัจจใจด้วยผลแห่งกรรมอะไรท่านจึงไปเกิดเป็นเปรตฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายมักหึงหวงมีความตระหนี่เป็นคนโอ้อวดและกล่าวคำหยาบคายต่อท่านฉันจึงจากโลกนี้ไปสู่เปตตโลก เรื่องนี้เป็นความจริงฉันเองก็รู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นแต่อยากจะถามท่านว่าร่างกายของท่านเปื้อนฝุ่นเพราะอะไรครั้งหนึ่งท่านกับฉันอาบน้ำแล้วนุ่งห่มผ้าสะอาดตกแต่งร่างกายงดงามแต่ฉันแต่งร่างกายงดงามกว่าท่านเมื่อฉันเห็นท่านคุยกับสามี ฉันก็เกิดความโกรธลิษยาท่านจึงกวาดขุนโปรยลงลดท่านด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นฉันจึงมีสลีละเปื้อนขุ่นเป็นความจริงฉันจำเรื่องนั้นได้ท่านเป็นหิดทานไปทั้งตัวเพราะกรรมอะไรเราสองคนไปหายาในป่าท่านหายามาได้แต่ฉันกลับนำเอาผลหมามุ้ยมา เมื่อท่านเผอฉันก็ได้โปรยผลหมามุ้ยลงบนที่นานของท่านฉันเป็นหิดคันไปทั้งตัวเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นฉันรู้ว่าท่านโปรยผลหมามุ้ยลงบนที่นานของฉันแต่ว่าท่านเกยกายเพราะกรรมอะไรวันหนึ่งมีการประชุมญาติมิตรท่านได้รับเชิญแต่ฉันไม่มีใครเชิญเพราะฉะ น, นั้น เมื่อท่านเผอฉันก็รักผ้าของท่านไปซ่อมเสียด้วยผลแห่งกรรมนั้นฉันจึงต้องปืนกายฉันรู้ว่าท่านรักผ้าของฉันปลายซ่อนแต่ว่าเพราะกรรมอะไรท่านจึงมีกลิ่นกายเหม็นเหมือนคูดฉันได้รักของหอมดอกไม้เครื่องรูปไร้อันมีค่ามากของท่านทิ้งลงในหลุมคูด ด้วยกรรมนั้นฉันจึงมีกลิ่นกายเหมือนคู่เรื่องนี้ฉันก็รู้ว่าเป็นความจริงแต่ว่าเพราะกรรมอะไรท่านจึงยากจนเช่นนี้สมัยนั้นเราทั้งสองมีทรัพย์เท่าๆกันเมื่อไทรยธรรมมีอยู่แต่ฉันไม่ได้ทาที่พึ่งแก่ตนฉันจึงเป็นคนยากจนส่วนท่านตักเตือนห้ามปำ ไม่ให้ฉันกระทำชั่วเพราะว่าถ้าทำชั่วแล้วจะไม่ได้ไปสู่สุคติแต่ฉันก็ไม่เชื่อฟังท่านท่านไม่เชื่อถือเราขอท่านจงดูวิบากแห่งกรรมชั่วนั้นเถิดเมื่อก่อนนางทาสีและเครื่องอาพรทั้งหลายมีอยู่ในเรือนของท่านมากมายแต่เดี๋ยวนี้นางทาสีเหล่านั้นพากันห้อมล้อมคนอื่น โภคาทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ท่านท่านไม่ได้ใช้โภคานั้นขณะนี้บิดาของบุตรของเรายัางไปตลาดอยู่ท่านอย่าเพิ่งกลับไปบางทีเขาอาจจะให้อะไรแก่ท่านบ้างอย่าให้เขาได้เห็นฉันซึ่งมีรูปร่างหน้าเกลียดเคยกายมีกลิ่นเหม็นอย่างนี้เลย หญิงทั้งหลายย่อมอายไม่อยากให้ใครเห็นรูปร่างหน่าเกียดนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยอะไรท่านได้บ้างจะให้ฉันให้ทานสิน่งไรหรือทำบุญอะไรให้แก่ท่านท่านจึงจะได้รับความสุขสาเร็จความปรารถนาทั้งปวงขอท่านจงนิมนต์พิสุขสีลูกและจากบุคคลสีลูกหมายความว่า ให้นิมนต์พระโดยไม่จำเพาะจัดจงสีรูปจำเพาะจัดจงสีรูปรวมเป็นแปดรูปให้มาฉันพัฒนาหารแล้วอุทิศส่วนบุญให้ฉันเมื่อท่านทำอย่างนั้นฉันจึงได้รับความสุขสำเร็จความปรจจนาทั้งปวง คืนนี้หมนพับแอดรูปมาฉันพระตาหารให้ครองจีวรแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้หนางข้าวน้ำและเครื่องนุ่งห่มเป็นวิบากให้เกิดขึ้นในทันใดนั้นเองนี่เป็นผลแห่งทักษินาก็ในขณนะนั้นเองนางเปรตมีร่างกายสะอาดบริสุทธิ์นุ่งห่มผม้าอันมีราคาลาดระดับด้วยอาพอรอันวิ จ, จิตรเข้าไปหานางติษา หญิงร่วมสามีกลุ่มความว่านางติษายังคงเป็นมนุษย์อยู่แต่นางมัตานั้นตายไปเกิดใหม่สองครั้งแล้วครั้งแรกเกิดเป็นเปรตพ้นจากพกเปรตเกิดเป็นนางเทิดิดาเพราะฉะนั้นเมื่อนางเทพิดามาปรากฏกายแก่นางภิษานางติษาจึงไม่รู้จักจากนั้นก็ได้ถามต่อไปว่า นางเทพธิดาท่านมีวันนะ่างามยิ่งนักสองสว่างไปทั่วทิศสถิตอยู่ดุจ ด, ดาวประกายพึกท่านมีวันนะ่างามเช่นนี้ผลอันน่าพึงใจในวิมานนี้ตลอดจนโพคาทุกอย่างอันเป็นที่รักมังเกิดแก่ท่านเพราะกลรรมอะไรนางเทพธิดาฉันขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ ท่านได้ทำบุญอะไรไว้ท่านจึงมีอนุภาพอย่างนี้เมื่อก่อนฉันชื่อมัตตาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่านฉันทำความชั่วไว้มากจึงจากโลกนี้ไปสู่เปตโลกฉันอนุโมทนาทานที่ท่านให้แล้วจึงพ้นภัยได้ที่พยาสมบัติเช่นนี้ขอท่านพร้อมด้วยญาติทุกคนจงมีอายุยืนนาน ท่านปราฤปฏิบัติธรรมและให้ทานในโลกนี้แล้วจะเข้าถึงฐานะอันไม่เศร้าโศกปสาสจักทุลีอันเป็นที่อยู่ของเท้าวัสสาวดีท่านคำจัดมลทินคือความเจหนญพร้อมด้วยพบแล้วอันใครใครมิจิตเตียนได้จะเข้าถึงโลกสวรรค์ นางติดสาบอกเรื่องราวนั้นแก่กุณดุงพีคุณดุงพีจึงได้เรียนแก่พิสุทธ์ทั้งหลายพิสุทธ์ทั้งหลายจึงได้กราบทูลแดกพระศาสดาพระปุณหะพระภาคเจ้าทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตตุ ป, ปาปฏิเหตุจึงทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ถึงกรอมแล้วมหาชนได้ฟังธรรมนั้นแล้วกรับด้วยความสลดใจจึงกำจัดมนทินมีความตรีนีเป็นต้น เป็นผู้มีความยินดีในการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นมีสุกติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าชนี้แล ผลของคำชั่วได้อย่างมากมายแต่ต้นว่าผลของความโอ้อวดหุืกร้ายอยากทายืึงหวงเป็นคนตระหนี่วาจาอยากคายทำให้เกิดเป็นเปรตผลของการโปรยฝุ่นรถคนอื่นด้วยความดุสยาทำให้เกิดเป็นเปรตร่างกายเปื้อนฝุ่นผลของการเกิดเป็นเปรตเป็นหิดคันทั้งตัวเพราะได้โปลยหมามุ่ย ลงบนที่นอนของผู้อื่นผลของการขโมยผ้าไปซ่อนทำให้เกิดเป็นเปรตเปลือยากายผลของการลักของหอมดอกไม้เครื่องรูปไล้อันมีค่าไปโยลงในหลุมคูดทำให้เกิดเป็นเปรตมีกลิ่นกายเหม็นเหมือนคูดผลของการไม่ให้ทานคือความยากจน นี่เป็นผลของกรรมชั่วแต่ผลของกรรมดีแม้เพียงชื่นชมอนุโมทนาทานที่มีผู้อุทิศให้ก็ทำให้พ้นจากสภาพเปรตเกิดเป็นเทวดาได้เราจะเห็นได้ว่าการทำความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลร้ายแรงมากยังนางเปรตที่ได้เล่ามานี้ก็ในขณะเดียวกันการทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ผลมหาศาล อย่างที่นามเปรตได้รับหลังจากอธุโมทนาทานนี้แล้วต้องขอขอบพระคุณหนังสือทรรแห่งความดีของท่านอาจารย์ประสินอินทชรักหนังสือน า, นานาสาระ โดยท่านมมะะธรรมวัทโภพิขุวัสมนวิหารกรุงเทพมหานครหนังสือกรรมโดยคุยการวันพุธสณะสหายธรรมและหนังสือพระสูตรและอัตกถาคุตการนิกายเปรตวัตถุและวิมานวัตถุฉบับมหมามกุราชวิทยาลัย ติดตามรับฟังผลงานเทสธรรมะโดยสนิชัยโทวีโชคทรัพ์สินในโอกาส ต, ต่อไปนะครับท่านที่สนใจเทสชุดนี้เป็นที่ระลึกหรือกิจการกุศลใดติดต่อได้ที่สนทิชัยทวีโชคทรัพย์สินตู้ปนอห้าหกเจ็ดพระขนงกรุงเทพหนึ่งหนึ่งหนึ่งโทรศัพท์หมายเลข 02 742 4120ขอความสุขความสวัสดีความเจริญไพบูรณนธ ร, รมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ